วันนี้เป็นวันที่สามของการเข้าพรรษาไนะด้เคยบอกไว้แล้วนะว่าเทศการเข้าพรรษานี่มันไม่ควรจะให้มีความหมายเฉพาะพระภิกษุสงฆ์หรือว่าแม่ชีหรือว่านักบวชนะแต่ควรจะให้มีความหมายถึงพวกเราซึ่งเป็นฆราวาส ด, ด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐ เนื่องจากมีปัจจัยสาบสูนให้ใจที่ใฝ่ธรรมเนี่ยนะมีกำลังขึ้นมาก็จะเป็นช่วงเวลาอื่นนะอาจจะไม่มีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มาช่วยสาบสุนให้เราเกิดความตั้งใจนะที่จะฝึกฝนตนลดละขัดเกลาอิเละเพราะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ญาติโยมเนี่ยนะ ควรจะตั้งใจนะทําสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นการลดละสิ่งที่ไม่ดีบางอย่างหรือว่าเสริมสร้างสิ่งดีๆบางอย่างขึ้นมาในชีวิตยอย่างน้อย ก, ก็ในช่วงสามเดือนนี้ก็มีโยงวันหนึ่งนะตั้งใจว่าเนี่ยในภรรานี้เนี่ยก็จะ บำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาครบเลยนะทานศีลภาวนาทานนี่ก็ไม่ใช่แค่บริจาคทรัพนะแต่รวมถึงการสละหรือว่าบริจาค ก, กําลังกายและกําลังความคิดด้วยก็คือว่าจะไปเป็นจิตอาสาช่วยงานส่วนรวม สีนี้ก็ไม่ใช่แค่สีหน้านะตั้งใจสมาทานสี8เลยซึ่งกหมายความงดข้าวเย็นงดการประดับประดาตกแต่งร่างกายรวมทั้งการละเล่นขับร้องหรือว่าดูหมอระศพดูหนังฟังเพลงเมนต้นแต่ว่าทามาว่ากนั้นนะไม่ได้ทำแค่ประเพณีนอกจากงดอาหารเย็นทุกวันแล้วเนี่ย วันพระนี่ก็จะกินอาหารมังสวิรัตินะซึงก็เป็นทั้งลดการเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เบียดลดการเบียดเบียนตนด้วยเพราะอาหารมังสวิรัตนี่มันก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าอาหารที่มีเนื้อภาวนานี่ก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะเจริญสติทำสมาธิในรูปแบบอย่างน้อยอาทิละ1ิชั่วโมงก็หมายความว่า อาทิตย์ละหมายคว อ, อาทิตย์หมายว่าวันละสองชั่วโมงนะอย่างน้อยนะแต่ก็ไม่ทำแค่นั้นนะตั้งใจว่าจะเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเลยนะทำกิจใ ด, ดก็ตามแม้จะเล็กน้อยเช่นอาบน้ำถูฟันกินข้าวก็จะเจริญสติทำความรู้สึกตัวไปด้วย อันนี้ก็เรียกว่านะไม่ได้เจริญหรือบาเพญ็ญทานศีลภาวนาตามรูปแบบนะอย่างเดียวนะแต่ว่าขยายให้มันอ่มีความจริงจังมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังทา ม, มากกว่านั้นนะเช่นตั้งใจว่าจะออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยอาทิตย์ละสีชั่วโมง อาทิตย์ี่ชั่วโมงก็ประมาณวันละครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแล้วก็บอกว่าเนี่ยตั้งใจว่าเนี่ยจะใส่ใจดูแลแม่ให้มากขึ้นแล้วก็ฟังแม่ด้วยความใส่ใจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่านุโมทนานะเพราะว่าลูกกับแม่นี่อยู่บ้านเดียวกันบางทีก็อาจจะมีเรื่อง กระทบกระทั่งกันบ้างหรือบางทีแม่ก็าจะชอบบน่นหรือว่าเรียกร้องลูกอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีก็มีเรื่องอยากจะเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าก็ไม่ใช่ง่ายนะที่ลูกเนี่ยจะอยู่กับแม่แล้วก็รับฟังใส่ใจสิ่งที่แม่เล่าได้แต่การทอน่างนี้มันก็เป็น การปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะนอกจากบําเพ็ญกตัญญูกต่กะตะเวทีแล้วเนี่ยยังเป็นการฝึกขันติธรรมแล้วก็ฝึกสติด้วยอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ลูกเนี่ยสมัยนี้ควรจะบําเพ็ญมากๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่หรือพ่อนี่บางทีก็อยู่กับลูกแค่นั้นและ่ะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมเพราะว่าอยู่ทาวน์เฮาส์อยู่คอนโดบางก็เหงา นะก็ไม่รู้จะคุยกับใครก็คุยกับลูกนี่แหละตับางทีลูกหลายคนก็สึกํำคาญนะแต่ว่าถ้าหากว่าตั้งใจฟังนี่ก็ช่วยผู้เป็นพ่อแม่ได้เยอะนะและนอกจากนั้นเนี่ย ย, ยงยงวันนี้ก็ตั้งใจว่าเนี่ยไอของที่เก็บสะสมมานะซื้อแล้วไม่ได้ใช้บางทีลดราคาบิดไนซ์เซลไปซื้อมา เพราะมันราคาถูกแต่เอาข้างจริงก็ไม่ได้ใช้ก็ต้องใจว่าจะทยอยบริจาคนะทยอยบริจาค ก, ก็เป็นการบําเพ็ญทานอย่างหนึ่งนะที่มันเหมาะกับยุคสมัยมากเพราะเดี๋ยวนี้ข้าของเครื่องใช้ของคนในเมืองยังมีเยอะนะใครที่คิดว่าซื้อมาแล้วจะได้ใช้เนี่ยเอาข้างจริงก็ไม่ได้ใช้หรอกบางทีกิเลสมันหลอกนะว่อ ซื้อมาเถอนนะเดี๋ยววันหน้าจะได้ใช้แน่ก็หลงเชื่อนะเพราะว่าราคามันถูกหรือเพราะมันสวยงามแต่พอได้มาแล้วในความเหตุผลที่จะใช้มันก็มีน้อยนะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจและที่น่าสนใจข้อนคือตั้งใจว่าจะลดการใช้โซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เฟสบุ๊กอินส t าแก a มหรือว่าทิกต็อกเนี่ยวันนี้มันใช้เวลากินเวลาคนไปเยอะเลยก็จะลดการใช้ลงเพื่อให้ลดการเสพนะการเสพเนี่ยที่จริงสินแปนี่ก็เป็นไปเพื่อลดการเสพนะลดการเสพทางปากลดการเสพทางตาทางหูแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่พอแล้วเพราะคนสมัยนี้นะ เสพข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือด้วยผ่านโซเชียลมีเดียตนติดงอมแงมนะเพราะนั้นเนี่ยก็ควรจะเวลาพึงลดการเสพนี่ก็ควรจะคลุมไปถึงเรื่องพวกนี้ด้วยก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะเดี๋ยวนี้คนติดงอมแงมเลยนะอ้างว่าจำเป็นต่อการงานบ้างละหรือว่ามันสะดวกบ้างละแต่ว่าบางทีมันกลายเป็นการสร้างภาระนะ ทำให้เสียเวลามากแล้วเกิดความเครียดด้วยอันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่แค่ตั้งใจเฉยๆนะแต่อธิษฐานด้วยอันได้บอกไปแล้วนะอธิษฐานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าขอนะภาษาไทยอธิษฐานแปลว่าขอแต่ภาษาบาลีมันแปลว่าตั้งใจที่จะทําสิ่งดีๆให้สําเร็จ<ม>เดี๋ยวนี้คนไทยเราไปเข้าใจาอธิษฐานคือตั้งใจขอเพื่อจะเอาเพื่อจะได้นะ มันก็เลยไม่ได้เกิดการกระตุ้นความเพียรแต่ถ้าว่าเราตั้งใจทําอะไรแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตั้งใจเฉยๆนะอธิษฐานเลยมันจะมีความหนักแน่นมากกว่านะตั้งใจเองเดียวไม่พอต้องอธิษฐาน <ừ. S 1> เพราะาอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจมั่นความตั้งใจแน่แน่ความตั้งใจเด็ดเดียวนะบางคนนี่ก็เพื่อให้เกิดความแน่แนที่จะทําก็อธิษฐานต่อนหน้าพระพุทธรูปเลยนะ หือไม่ก็อธิษฐานต่อหน้าหมู่สงฆ์อย่างที่พระเราอธิษฐานเข้าบรรษานี่ก็อธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็หมู่สงฆ์ด้วยอันนี้เป็นการตอกย้ําสำนับความตั้งใจซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องมีการแสดงความตั้งใจที่จะทําให้เป็นรูปธรรมไม่ใช่บอก ล, ลอยๆว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดไอ้คําว่าดีที่สุดเนี่ยบางทีมันเป็นความมันเป็นคําที่ไม่มีความหมายเลย แต่ว่าถ้าหาว่าตั้งใจทําอะไรเนี่ยกำหนดเป้าหมายเลยนะเช่นออกกําลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละสชั่วโมงจะทําสมาธิอย่างน้อยอาทิตย์ละสิชั่วโมงอันนี้ดีกว่านะยิงอยู่นะคนเราถ้าทําให้ดีที่สุดเนี่ยอาจจะทําได้มากกว่านั้นนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราบอกว่าทําให้ดีที่สุดเนี่ยโดยที่ไม่กําหนดเป้าเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ก็ลงจนลงเอ่ยจงถือว่าไม่ได้ทําเลย หรือทำนี้ทําหน่อยแล้วก็เอาว่าฉันทําดีที่สุดแล้วได้แค่นี้ออกกําลังกายได้แค่ครึ่งชั่วโมงนะในอาทิตย์หนึ่งหรือว่าทําสมาธิภาวนาได้แค่15นาทีในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราบอกว่าทําดีที่สุดแล้วแล้วก็สบายใจว่าเออฉันทําดีที่สุดแล้วทั้งที่ทําได้มากกว่านั้นนั้นถ้าอยากชนะกิเลส น, นะมันต้องกําหนดเป้าหมายชัดเลยนะว่า จะเจริญสติทำสมาธิวันลกี่ชั่วโมงอาทิตยลกี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยจะออกกําลังกายวันลกี่ชั่วโมงกี่นาทีอาทิตลกี่ชั่วโมง น, นะอันนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ความตั้งใจที่จะลดละขัดเกลว์เอาชนะกิเลสเนี่ยมันเป็นไปได้เพราะว่ามันมีเป้าที่ชัดเจนถ้าเกิดวันไหนทําไม่ถึงเป้าก็รู้ว่าเออเราจะต้องทําให้ดีกว่านี้ ไม่ใช่พู้ว่าทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีเป้าที่ชัดเจนเสร็จแล้วก็โดนกิเลสมันเล่นงานนะปล่อยวางปล่อยปาละเลยโดยที่ไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจฟังแล้วเนี่ยพวกเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทําตามนะไปหมดนะมันก็ต้องดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราด้วยแล้วก็ไม่ต้องมากนะยงวันนี้นี่ทำก็เจ็ดแปดเก้าข้อเลยนะแต่ว่า ถ้าว่าเป็นผู้ฝึกใหม่นี่ก็อาจจะเริ่มต้นแค่ทำอย่างสองอย่างแต่ให้มันทำให้จริงจังและทำให้ได้ทุกวันก็จะเป็นการสร้างบา ร, รมีนะอธิษฐานนี่เป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งแล้วเราสร้างบา ร, รมีได้ด้วยการทำสิ่งที่ดีด้วยความตั้งใจแน่วแน่แล้วก็ทำต่อเนื่องเบื่อก็ทำนะง่วงก็ทำพอตั้งใจไว้แล้วพออธิษฐานไว้แล้วขี้เกียจก็ยังทำหรือว่าวันไหนทำไม่ได้ก็ ยกยอดนะยกยอดไปทําวันลุ่งขึ้นวันนี้ไม่ได้ออกกาลังกายตั้งใจว่าจะออกกาลังกายครึ่งชั่วโมงทาสมาธิหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้ทําก็ไปยกยอดไปสมทบเอาวันพรุ่งนี้ให้ทามากขึ้นอันนี้ก็ได้อยู่นะอันนี้เราถึงจะเรียกว่าเป็นความตั้งใจที่ยกระดับถึงขั้นอธิษฐานซึ่งมันก็จะเกิดผลดีกับเราเองนะในพรรษา น, นี้